แยกในส่วนของวัตตะกับวิวัตตะถ้าไม่ช่างอย่างนี้อย่างดีจริงๆเนี่ยนะที่จะออกจากวัตตะไม่ได้หรอกจะต้องมาแยกสองส่วนว่ามีกับไม่มีอย่ไหนดีกว่ากันถ้าน้อมได้ชัดเจนว่าถ้าดับวัตตะได้จริงออกจากวัตตะดีจริงเมื่อ น, นั้นแหละใจมันจึงจะดิ่งแน่นอนว่าออกจากวัตตะแต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นนะก็เรียกว่าถ้ายัางอาวรนก่อนลาสรุปว่าไม่ได้ลาหรอกใช่ไหม สูตรหนึ่งเลยนะให้ใหจบสูตรเลยว่าจะตุธานิพานสูตรพระองค์ก็ประทับอยู่ที่เชตวันเหมือนเดิมเอนงพระองค์ข้อความนี่ต่างเฉพาะคาถาว่าคาถาที่พระองค์เปล่งเนี่ยประกาศถึงว่าข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานนะข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานมีอะไรความหวันไว้ย่อมมีแก่ บ, บุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิอาศัยความวันไว้ย่อมไม่มีแก่ผู้อันตัญหาและทิฏฐิ ไม่อาศัยเมื่อความหวั่นไหวไม่มีถ้าไม่มีความหวั่นไหวจริงนะย่อมไม่มีเอ่ย่อมมีปัสสัทธิเมื่อมีปัสสัทธิก็ย่อมไม่มีความยินดีด้วยตันหาเมื่อไม่มีความยินดีด้วยตันหาก็ไม่มีการมาและการไปเมื่อไม่มีการมาการไปก็ไม่มีการจุติและอุบัติเมื่อไม่มีจุติและอุบัติโลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีไอระวางโลกทั้งสองก็ไม่มีนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ครอบ จตุฐานิพานสูตรสูตรที่สี่เนี่ยเป็นการแสดงข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุพระนิพานกล่าวถึงข้อปฏิบัติส่วนข้อปฏิบัติตรงนี้ก็แสดงไว้ค่อนข้างกว้างขวางอ่ะนะเพราะคงเอาไว้ตอนบ่ายดีกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะกล่าวถึงข้อปฏิบัติจริงๆก็คือวิสุทธิ7็อ่ะนะแต่อีกสำนวนหนึ่งเท่านั้นเองเจนพรในคาถาในคาถานะในหน้าเจ็ดบอดที่กล่าวถึง อายตนะอายตนะหมายถึงธรรมายตนะนะธรรมายตนะนิพานนั้นเป็นอารมณะปัจจัยของอริยมรรคอริยผลหรือเป็นอารมณะปัจจัยของปัจเจเวคขณายานอายตนะคือพระนิพานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธาตุดินน้ำไฟลมพระนิพานไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ไฟและลมไม่มีปฐวีธาตุผสมอยู่ด้วย นิพานไม่มีปัทวีธาตุไม่มีอาโปธาตุไม่มีเตโชธาตุไม่มีวายโยธาตุเจืออยู่ด้วยพระ น, นิพานจึงไม่มีสีเสียงกลิ่นรสและผ othap ะก็คือปฏิเสธว่าปัวีธาะนิพานนั้นไม่ใช่ภพที่มีรูปพนิพานนั้นไม่ใช่ภพและก็ไม่ใช่รูปด้วยขณะเดียวกันพระนิพานนั้นไม่มีอรูปผสมอยู่ ไม่มีอากาสารนัญจายตนะไม่มีวิญญาณัญจายตนะไม่มีอากินจัญญายตนะไม่มีเจจิตเจตสิกผสมปนเปอยู่กับนิพพานเลยนะไม่มีภาษะเวทนาสัญญาเจตนาเอกขัตาชีวิตินทรีมนานสิการไม่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในสภาวะแห่งพระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานเป็นอสังขตะใช่ไหมจิตเจตสิกทั้งหลายเป็นสังขตะธรรม ขณะเดียวกันพระนิพพานก็ไม่ใช่โลกนี้และก็ไม่ใช่โลกหน้าแสงจันอาทิตย์ก็ส่องไม่ถึงหรือไม่มีแสงจันไม่มีแสงอาทิตย์ขณะเดียวกันก็ไม่มีความมืดนิพพานนี้ไม่มีการมาไม่มีการไปเพราะฉะนั้นไม่มีการตั้งอยู่ตั้งอยู่แบบอะไรนะสมมติเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ ดับไปนิพพานไม่มีการตั้งอยู่ที่เรียกว่าระหว่างเกิดขึ้นและดับไปไม่มีจุติและปฏิสนธิอันนี้คือสภาวะพันฏิเสธว่านิพพานไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ชาไม่ใช่ชาติชรามรณะไม่เป็นสาเหตุแห่งโสกปริเทวทุกขโทมนัตและอุปาญาตสภาวะของนิพพานจึงว่าผู้ที่แทงตลอดเนี่ยนะจึงไม่รู้จักคาว่าพลัดพรากจากของรักเนี่ยเพราะว่าไม่มีอะไรจะ น่าพอใจเท่ากับสภาวะแห่งพระนิพพานถ้าหากว่ามองในฐานะอริยษัสตร์นี่อาจจะเห็นชัดว่าทุกข์สัตว์ทั้งหลายทุกข์สัตว์ทั้งหลายเป็นสิ่งที่เป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายไอ้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะมันเหมือนกับแผ่นดินน่ะเป็นที่เจริญงอกเงยของถ้าแผ่นดินนะที่เจริญงอกเงยของต้นไม้ใบหญ้าพืชทั้งหลายฉันใด ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่เจริญงอกงามของพืชคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตฉ น, นั้นแผ่นดินเป็นที่อาศัยงอกเงยของอะไรต้นไม้ต้นใหญ่ต้นน้อยฉันใดต้นไม้ใหญ่ๆหโตๆกับต้นไม้เล็กน้อยฉันใดชาติชาติชรามรณะเป็นที่อาศัยเจริญขึ้นแห่งความทุกเล็กน้อยฉันนั้นแล้วก็ทุกข์ใหญ่ๆก็ฉ น, นั้นเพราะ ทีนี้ถามว่าเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นอาหารของโสกะปริเทวะทุกขโทโมนัสและอุปายาตสิ่งเหล่านี้ตรงกันข้ามมีไหมตรงกันข้ามกับความเกิดมีไหมตรงกันข้ามกับความแก่ความเจ็บความตายมีไหมสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดแก่เจ็บตายไม่เป็นสาเหตุแห่งโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตมีไหมก็บอกมีพันธะก็เป็นการแยกระหว่างสองสัจจะใช่ไหมสองสัจจะไหน สองสัจจะคือทุกขสัจจะกับนิโรสัรจจะซึ่งตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงทวนใ ห, ใหม่นะทวนใหม่ทุกขสัจจะนั้นเป็นสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บและตายอันทุกขสัจจะนั้นคำว่าเกิดเนี่ยแบ่งเป็นภพสามกำเนิด4ี่คติหวิญญาณทีฏิเจดสัตวทาส9อันนี้คือจุดเครียกว่าเกิดเบื้องตน้นเมื่อเกิดแล้วก็ดารงอยู่ เพราะเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยสิ่งเหล่านี้เมื่อปัจจัยบกพร่องเราเรียกว่าป่วยนะเมื่อปัจจัยบกพร่องความไม่สมดุลของปัจจัยนนะมีความพิการแต่ละส่วนทั้งหลายเรียกว่าเป็นความเจ็บป่วยในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็ตายเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะเป็นที่เจริญงอกเงยของเมื่อเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยโศกปริเทวะความโศกทั้งหลายก็เกิดมาจากความเกิดแก่เจ็บตาย ความคร่ำครวนบน allora, เพ้อทั้งหลายก็อาศัยเป็นไปกับเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ทางกายก็เพราะเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันก็เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายไปเกิดในสิ่งที่ไม่ควรเกิดนั่นแหละเรียวกว่าประสบกับสิ่งอั น, น, นไม่เป็นที่รักความพลาดพลาดจากการเกิดอย่างที่ตัวเองต้องการเรียกว่าพลาดพลาดจากของรักก็คือพลาดพลาดจากสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดานั่นเอง ขณะเดียวกันถ้าเราหวังปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็ปรารถนาเกี่ยวกับเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยปรารถนาวนๆอยู่ในโลกแห่งสิ่งที่เป็นไปกับความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายทั้งหมดนั้นน่ะคืออะไรทั้งหมดนั้นคืออะไรสรุปว่าทั้งหมดสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นสาเหตุแห่งความเกิดแก่แก่เจ็บตายเนี่ยนะสาเหตุแห่งความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจตัวนั้นจริงๆอ่ะคืออะไร ก็บอกว่าก็แล้วแต่ถ้าเป็นจะขันสูตรก็บอกว่าขันห้าถ้าอายตนาสูตรก็บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นสาเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตคนผ่านทั้งหลายมัวแต่ชื่นชมว่าสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นของเราสิ่งนี้เป็นอัตตาของเราเพราะหวังว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย จะนำมาซึ่งแต่ความสุขก็ชื่อว่าเป็นการหวังล ม, ลมลงๆแรงๆเหมือนอย่างว่าเขาบอกว่าคนไข้ที่มีแผลหวังว่าจะประสบพบแต่ยาที่เย็นๆหวังว่าจะมีแต่อะไรนะคือขอให้มีแผลอย่างนี้ตลอดไปไม่อยากหายแต่ต้องการยาเย็นๆที่ทาแล้วพอดีเหมาะสมเย็นสบายมีความสุข ถามว่าคนพาลเหล่านั้นฉลาดมากไหมที่คิดแบบนั้นแล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ฉันใดผู้ที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะถ้าหวังว่าเขาจะประสบสิ่งอันเป็นที่รักโดยส่วนเดียวก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะมีสิ่งเป็นที่พอใจบ้างเป็นที่ไม่พอใจบ้างเป็นที่พอใจเขาเรียกว่าปียรูปสาธรูปเรียกสิ่งอันเป็นที่รักถ้าสิ่งไม่เป็นที่รักก็ここเรียกว่าอาปียรูปอาสาธรูป เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาไปประสบสิ่งเป็นที่รักตันหาก็เจริญถ้าหากว่าประสบกับสิ่งอันเป็นที่รักกับพลาดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักอยู่ใกล้กันไหมก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละเมื่อมีสิ่งอันเป็นที่รักจึงมาจําแนกว่ามีสิ่งอันไม่เป็นที่รักแล่นก็เป็นที่มาของความต้องการอย่างอื่นๆอีกตามมาแต่อยู่บนพื้นฐานว่านั่นเรานั่นของเราและนั่นอัตตาของเรา ผู้ที่มีตัณหาก็บอกทุกอย่างเป็นของเราหมดเลยผู้ที่มีมา n น a ะบอกแหมเร า, เ, านะเราคือผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเป็นทิฏฐิก็บอกวันนี้คืออัตตาของเราคือผู้มีอำนาจเป็นต้นก็ก็จะสัมพันธ์กันอยู่บนพื้นฐานว่าบนพื้นฐานของความเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราและก็เป็นอัตตาของเราอยู่ในโลกแห่งความยึดถือปรนิบัติรับใช้แผลเหล่านี้ตลอดไปนะก็ก็เลย มีแต่กองทุกข์มีแต่กองทุกข์ที่สืบเนื่องกันเป็นไปพระพุทธเจ้ามาคิดสิ่งที่ตรงกันข้ามหมดเลยเมื่อมีความเกิดก็ต้องมีสิ่งที่ไม่เกิดเมื่อมีความแก่ก็ต้องมีสิ่งที่ไม่แก่เมื่อมีความเจ็บป่วยก็ต้องมีสิ่งที่ไม่เจ็บป่วยเมื่อมีความตายก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ตายสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรก็คือนิพพานที่เรียกว่าตรงกันข้ามที่ตรงกันข้ามคนที่ เปรียบเทียบแบบนี้อย่างเช่นท่านซุเมตบัณฑิตก็เปรียบเทียบเลยใช่ไหมถ้ามีร้อนก็ต้องมีเย็นเป็นเครื่องเปรียบชั้นใดเมื่อเกิดแก่เจ็บตายมีจะต้องมีสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสิเมื่อความร้อนมีอยู่ยังมีความเย็นเมื่อความทุกข์มีอยู่ก็ยังมีความสุขเมื่อมีวัตฏะจะต้องมีสิ่งที่ออกจากวัตฏะก็ต้องมีที่เรียกว่าวิวัตฏะทีนี้นก็ก็คิดต่อไปว่าแล้วอะไรคือสาเหตุของวัตฏะใช่ไหม ก็ต้องมาคิดว่าทุกอย่างในโลกเนี้เกิดจากเหตุเหตุที่ทำให้เกิดในวัฏฏะคืออะไรเหตุที่ทำให้เกิดก็คือภพภพเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดใช่ไหมอันแล้วภพคืออะไรก็คือกรรมภพกับอุปัติภพภพอุปติภพก็คือวิบากกับกรรมชะูรกรรมภพล่ะก็คือเจตนาเจตนาเป็นเหตุให้เกิดวิบากและกรรมชรูป พบเหล่านั้นเนี่ยนะเกิดจากอะไรก็เจอจากอุปาทานนั่นแหละเกิดจากความยึดถือว่าเป็นเป็นเราเป็นของเราและอัตตาของเราถามว่ามาจากไหนก็มาจากสืบเนื่องมาจากทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่สืบเนื่องกันปันวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นี่แหละเหมือนอย่างว่าต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้ที่เจริญงอกงามพอเจริญงอกงามเต็มที่มีช่อออกดอก แล้วก็ติดเมล็ดออกผลออกผลก็มีเม็ดในไอเม็ดในที่อยู่ในนั้นแหละเป็นสิ่งที่ไปเพาะขึ้นเจริญงอกงามฉันใดทุกขศัตรจะทั้งหลายชาติชรา ม, มรณะเมื่อเกิดขึ้นมาก็เป็นที่เพลิดเจริญงอกเงยของตันหาอุปาทานตันหาอุปาทานนี่แหละเป็นตัวไปเพาะปลูกอันใหม่ต่อไปอีกสืบเนื่องกันไปที่เรียกว่าเบื้องต้นแห่งสังสารวัตรไม่ปรากฏเพราะมีแต่ไรสืบเนื่องกันไปทีนี้ในฐานะ สิ่งที่เรียกว่าตรงกันข้ามตรงกันข้ามกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยนะอะไรคือหนทางที่ทำให้ให้ถึงสิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งที่ดับทุกเนี่ยนะที่เรียกว่าอาสังขตะเนี่ยนะสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับสังขตะพรานสังขตะเนี่ยจะไม่ใช่เป็นเหตุสร้างอาสังขตะ แต่สังคตะเป็นข้อปฏิบัติธรรมเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงอสังคตะอันนั้นแหละที่เราเรียกว่าอริยมรรคหนทางต้องมีอยู่แน่หนทางที่จะทำให้เข้าถึงอสังคตะเหล่านั้นอย่างในสูตรที่สองท่านบอกว่าท่านบอกว่าไงเนี่ยในสูตรที่สองบอกว่าอสังคตะคือนิพพานเป็นสิ่งที่เห็นยาก แต่ก็ไม่ใช่เห็นไม่ได้ก็เห็นได้แต่ว่าเห็นยากนะสูตรที่สมบอกว่ายังไงสูตรที่สยืนยันว่านิพพานนั้นมีอยู่จริง น, นะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอามาหลอกกันขึ้นถ้าหากว่านิพพานคือเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงก็ดับทุกข์ไม่ได้แต่เนื่องจากมีอยู่จริงพราะสูตรที่สี่บอกมาพูดถึงข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานอย่างในหน้า728นับขึ้นสบรรทัดเนี่ยนะ พระองค์เนี่ยเปล่งอุทานประกาศถึงว่าการบรรลุนิพพานเนี่ยจะต้องบรรลุด้วยการละตัญหาและล ะ, ละละเด็ดขาดด้วยนะและเครื่องมือที่จะทําให้ละตัญหาคืออริยมรรคของบุคคลผู้เจริญวิปัสสนาดําเนินไปตามวิถีจิตวิปัสสนาเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นวิปัสสนาเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้บอกว่ามีกายและจิตสงบประงับ ผู้มีกายมีจิตสงบประงับเจริญวิปัสนาวิปัสสนานี้เป็นปัจจัยแก่อริยมรรคอริยมรรคตัวนี้แหละเป็นตัวที่ละตันหาและก็แทงตลอดพระนิพพานขณะเดียวกันผู้ที่เจริญวิปัสนาอย่างนี้เนี่ยนะยังอิงอาศัยอารมณ์อะไรอะไรด้วยตันหาไหมเป็นคนที่อะไรอวณ์ในสังขารธรรมด้วยตันหาไหมบอกไม่ ผู้นั้นจะต้องไม่อิงอาศัยตัณหาในในอารมณ์อะไรอะไรเลยคือก็ถามว่าแล้วคนที่เจริญมาปฏิบัติธรรมเพื่อออกจากวัฏทุกเนี่ยนะเขายังมีสิ่งที่พอใจไหมบอกมีแต่คําว่าไม่อิงอาศัยหมายความว่าไม่ตั้งอัธยาศัยเพื่อเพื่อสังขารเหล่านั้นก็รู้ว่าที่สุดของสังขารเหล่านั้นอยู่ที่ไหนใช่ไหม รู้ไหมว่าสมุทธาเรามีใจคล้องเกี่ยวคล้องแวะติดพันกับสิ่งใดพบใหม่เนี่ยมาจากสิ่งไหนพบใหม่ก็มาจากสังขารเหล่านั้นนั่นแหละมันรู้ว่าสิ่งนั้นจะน่าพอใจปานใดก็ตามแต่สิ่งนั้นก็คือสาเหตุแห่งพบใหม่สาเหตุแห่งชาติชารามรณะมันก็โดยอัธยาศัยนี่รู้แล้วว่าไม่ต้องการชาติชาราและมรณะเมื่อไม่ต้องการชาติชารามรณะทาอย่างไรกายและจิตจึง สงบประงับสงบประงับจากอะไรก็จากความเดือดร้อนความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสทั้งหลาย น, นั้นเมื่อตายและจิตสงบประงับจึงสามารถเจริญวิปัสสนาถ้าเจริญวิปัสสนาได้อย่างเต็มที่ก็บรรลุอริยมรรตัดตัณหาได้ขาดก็แทงตลอดพระนิพพานได้มาดูคําว่าอธิบายเนี่ยนะผู้ที่อาศัยตัณหาถ้ายังอาศัยตัณหาเป็นอย่างไร บทว่านิสิตัสะจริตังบุคคลผู้ถูกตันหาและทิฏฐิเข้าอาศัยในสังขารมีรูปเป็นต้นย่อมวันไหวนะเขาบอกว่าผู้ที่ผู้ที่มากด้วยตันหาเนี่ยนะมากด้วยความพอใจจริงๆเนี่ยจิตใจอยู่ด้วยความหวันไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาวันไหวด้วยอำนาจของตันหาแล้วก็หวันไหวด้วยอำนาจของทิฏฐิทำไมจึงหวันไหวตั้งคาถามว่าทาไมจึงวันไหว ก็เพราะว่าในสิ่งที่เขาพอใจมันไม่มีความแน่นอนเมื่อสิ่งที่เขาพอใจมันไม่แน่นอนเนี่ยนะตันหามันก็ดิ้นรนไปเรื่อยสิใช่ไหตันหามันก็ดิ้นรนไปเรื่อยเมื่อตันหาดิ้นรนทิธิก็ติดตามมาถามว่าลักษณะการดิ้นรนของตันหาเป็นอย่างไรการดิ้นรนตันหาตันหาบอกว่านั่นของเราถ้าดิ้นดิ้นรนด้วยอำนาจของทิฐิบอกว่านั่นอัตตาของเรา แต่สรุปว่านั่นของเรานั่นอัตราของเราอันนี้คือความดิ้นรนด้วยอำนาจของตัญหาและทิฐิจิตใจก็หวั่นไหวนะจิตใจก็หวั่นไหวจิตใจไม่เป็นปกติอะไรเลยเพราะอะไรนะถูกตัญหาและทิฐิพาอาไปหมดแล้วพาไปในอารมณ์แล้วยังไม่พอใช่ไหมมันยังพาไปสู่ภพใหม่ด้วยสิเขาบอกว่าถ้าหากว่าพาไปเพลดิดเพลินแต่อารมณ์อย่างเดียวไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่แต่พาไปเกิดในภพใหม่นี่สิ นะถามว่ารู้ไหมเกิดที่ไหนไม่รู้เนี่ยมันน่ากลัวละจริงอยู่เมื่อบุคคลผู้ยังละตันหาและทิฏฐิไม่ได้เมื่อสุขเวทนาเป็นต้นเกิดขึ้นก็ไม่อาจจะครอบงำเวทนามีสุขเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นมีจิตตสันดานดิ้นรนกวัดแกงดิ้นรนหวั่นไหวอันนำออกแล้วทําให้อากุศลเกิดขึ้นด้วยอานาจการยึดถือด้วยอำนาจตันหามานะทิฐิว่าเวทนาเป็นของเราเราเป็นผู้ สเสวยเวทนาอากุศล น, นะไม่ใช่กุศลนะใช่อกุศลจะไปดิ้นรนทำไมใช่ขออภัยกุศลจะดิ้นรนทำไมอกุศลสิจึงดิ้นรนใช่ไหมอกุศลเนี่ยบอกว่าจิตดิ้นรนกวัดแกว่งถ้าหากว่าจะนำจิตที่ที่ดิ้นรนกวัดแกวงเน้นำออกด้วยอะไรจรึงจะนำออกได้ ก็ต้องด้วยการเจริญกุศลจึงจะนำออกได้แต่ถ้าหากว่ากุศลไม่เจริญกุศลอย่างเต็มที่จิตใจยังไงก็ต้องเป็นไปกับความดิ้นรนแล้วก็กวาดแกงอยู่นั่นแหละก็จริงนะว่าะนะสะสูตรเขาก็มียังไงก็ตามนะอยากจะแนะนาว่าอย่างไรก็ตามคำอธิบายมันจะมีแ่บเวทนาเป็นปัจจัยแกตันหาตันหาเป็นปัจจัยแก อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่พบพบเป็นปัจจัยแก่ชาติชาติเป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะตรงนี้อธิบายว่าตะเวทนาเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานก็มีอยู่เท่านี้ทีนี้ตัณหากับอุปาทานความเพลิดเพลินนั่นแหละเรียกว่าตัณหาความยึดถือเรียกว่าอุปาทานไอความเพลิดเพลินความยึดถือก็เนื่องจากเสวยสุขเวทนาเข้า เมื่อสวยสุขเวทนาก็อยากให้ความสุขอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่มั่นคงต่อไปอยากให้ความสุขอันนี้ยั่งยืนใช่ไหมทีนี้ความสุขมันยั่งยืนได้ไหมเขาบอกว่าความสุขถ้าเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับเชือ้อกเหมือนกับเพลิงที่มันลุกไหม้ทีนี้เราต้องหาฟืนมาเท่าไหร่มาถมเพลิงอันนี้เข้านะต้องหาหาหาหาฟืนเท่าไหร่ใช่ไหมกว่าจะถมไ อ, ไอไฟนี้ให้มันเต็มถมเต็มไหมไฟนี้ถมเต็มไหมไม่เต็ม ชันใดก็ดีผู้ที่มีความสุขก็เหมือนกันถ้าหากว่ า, าวัตถุกับอารมณ์บกพร่องสุขจะเกิดต่อไปไหมก็สุขเกิดต่อไม่ได้ความทุกข์ก็เกิดตามมาเมื่อความทุกข์เกิดตามมาเนี่ยอตอนแรกก็เมื่อความสุขเกิดขึ้นตันหาก็ชอบใช่ไหมทีนี้เมื่อความสุขมันลดลงไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นตันหานี่เอาใหญ่เลยตันหานบอกว่าเออเบื่อสักทีพอแล้วเนี่ยไม่เลยใช่ไหม มีแต่ต้องการมากยิ่งยิ่งขึ้นไปมีแม้แต่ว่าทํายังไงจะดับทุกข์อันนี้ได้ทํายังไงความสุขที่เคยมีจะได้มีขึ้นเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าจะให้ดีต้องมีความสุขที่ยิ่งไปกว่านี้อีกก็เต็มไปด้วยความดิ้นรนเนี่ยมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็แทรกแทรกว่าเห็นความสุขว่าเป็นเป็นเราแล้วก็เป็นของเราเป็นอัตตาของเราเราจะต้องมีอํานาจในการ จัดแจงสิ่งเหล่านี้ได้สิที่ไ อ, ไอความเห็นผิดตัวนี้แหละมันมันสคัญว่าเวทนาเป็นอัตตาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาอัตตานี่มีเวทนาอนะอัตตาอาศัยเวทนาเวทนาอ า, อาศัยอัตตาเป็นที่มาของลัทธิมิจฉาทิฐิก็ตามมาอีกถ้ามิจฉาทิฐิเกิดขึ้นเท่าไหร่อวิชาก็เติบโตมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ที่ที่จะอะไรนะปฏิบัติเพื่อรู้จักเหตุเกิดความดับอสาธาอาทีนวะนิสนาณะของเวทนานี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปอย่างนั้นไหมไม่คิดจะปฏิบัติเพื่อเบื่อนหน่ายคลายกําหนัดจากเวทนามั้ยไม่มีพันธุ์ก็มีแต่อาศัยดิน้นเอเวทนาดิ้นรนไปตามอํานาจของเวทนาเวทนาก็ที่มาของตัณหาพันพระองค์จึงสอนให้เจริญเวทนานุปัสสนาสอนให้เจริญว่ายังไง เห็นสุขเวทนาโดยความเป็น so ทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกข์มสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงถ้าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะก็จะกับดับความโลภได้ถ้าเห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรก็กําจัดความโกรธได้ถ้าเห็นอทุกข์มสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละโมหะได้สรุปว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นอุเบขาเวทนาเกิดขึ้นอ่ะคิดยังไงจึงไม่โกรธ ไม่โลภและก็ไม่ไม่รุ่มหลงแล้วก็รู้ด้วยว่าเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยมีภาษาเป็นปัจจัยภาษามีอะไรเป็นปัจจัยสลายยตนะเป็นปัจจัยสลายยตนะมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยบางสูตรนี่บอกว่ารู้เหตุเกิดความดับอาศาาัศธาอาทีนวะนิสระณะของภาษายตนะทั้งหกประการ ถ้ารู้เหตุเกิดความดับอสาธาอาทีนวะนิสรณะแห่งภาษายตนะทั้งหประการถ้าภาษายตนาดับภาษาก็ดับถ้าไม่มีบ่อจะมีน้ํำไหมไม่มีถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีภาษาไหมก็ไม่มีถ้าภาษากดเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับ คือชาติคืออะไรคือการเกิดขึ้นของตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกิดชรา ม, มรณนะจะเกิดไหมก็ไม่เกิดโสก ป, ปริเทวะทุกขโทมนัตอุปา ย, ยาตเป็นต้นต่อไปจะเกิดได้ไหมไม่เกิดแล้วแต่บางพวกก็บอกว่ามีไหมเอ่ยที่จะยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วประสบแต่สุขโดยส่วนเดียวก็บอกว่าอาจจะพอมีได้แต่ไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนถ้าคุณเกิดในพรหมโลกทั้งหลาย พรมที่ที่มีสุขคเวทนาอย่างเดียวนี่มีพรมชั้นไหนที่มีสุขอย่างเดียวพรมชั้นที่เอ่อไม่ใช่สุทธาวาสนะพรมตติยะชานภูมินี่มีสุขโดยส่วนเดียวมีแต่สุขว่า พ, พรมตดพรมตติยะชานภูมิเนี่ยนะแต่ก็มีอายุอยู่ในขอบเขตที่จํากัดเนี่ยนะถ้าเทียบกับสังสารวัตใช่ไหมเพราะว่าสุขเวทนาในพรมภูมิทั้งหลายก็ไม่ได้เป็น เป็นเหตุให้ละตันหาอะไรตันหาก็ยิ่งเจริญ ง, งอกงามต่อไปอีกเนี่ยนะตันหาก็ตามมาด้วยอุปาทานอุปาทานในที่สุดก็นําไปสู่พบชาติชรามรณะเพราะนั้นออกจึงเป็นทางทเรียกว่าอะไรนะออกดีที่สุดเนี่ยนะไม่มีทางอื่นจริงๆระนั้นคนที่ที่จะออกได้เนี่ยจึงเป็นอัธยาศัยที่ใหญ่มากนะเป็นอัธยาศัยเรียกว่าเป็นของคนที่สั่งสมบุญมามากจึงจึงเริ่มคิดในสิ่งที่มัน ตรงกันข้ามไม่อย่างนั้นก็มีแต่คิดจะแก้ปัญหาไปเรื่อยยิ่งแก้ยิ่งพันนะยิ่งแก้ยิ่งพันยิ่งพันยิ่งแก้แก้อย่างไงก็แก้ด้วยการทํากรรมใช่ไหมแก้ด้วยกายวิธีแก้เอาอะไรมาแก้กายกรรมวิจิกรรมและมนโนกรรมกรร ม, กรรมไหนมั่งไม่นําไปสู่พบใหม่ก็โดยมากเนี่ยนะกรรมที่มีตันหาเป็นปัจจัยก็นําไปสู่พบใหม่ทั้งหมดนั่นแหละ ันสรุปว่าผู้ที่ยังอาศัยตัญหาและทิฏฐิถือว่าเป็นบุคคลที่ยังหวั่นไหวยังไงก็ต้องหวั่นไหวไอ้คำว่าหวั่นไหวนี่แปลว่าแปลว่ายึดถือว่าเราว่าของเราว่าอัตตาของเราพอยึดถือเสร็จก็ทำกรรมกรรมก็นำไปสู่พบใหม่อยู่อย่างนี้แหละถ้าตรงกันข้ามล่ะอันนีสิตาสะจริตังนัตถิเนี่ย น, นคือผู้ที่ไม่อาศัยตันหา ก็ย่อมไม่มีความหวันไหวถ้าไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยในสังขารทุกชนิดก็จะไม่มีความหวันไหวทีนี้ทํำยังไงละ่ะก็บุคคลใดดําเนินไปตามวิสุทธิปฏิปทาวิสุทธิปฏิปทาก็คือปฏิบัติตามสีและวิสุทธิจิตวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นต้นเนี่ยนะย่อมข่มตัณหาและทิฏฐิด้วยอํานาจสมถะและวิปัสนา สมถะคือศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นสมถะที่ทีวิสุทธิเป็นต้นไปเป็นวิปัสสนาก็พิจารณาเห็นสังขารเหล่านั้นด้วยลักษณะมีอ น, นิจจลักษณะเป็นต้นลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเป็นลักษณะประจำตัวของสังขารธรรมทั้งหลาย ลักษณะประจําตัวของรูปเวทนาสัญญาสังขารก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาลักษณะที่แท้จริงของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอนุภาพของปัญญาที่ตามเห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเรียกว่าวิปัสนาเนี่ยนะบุคคลนั้ น, ะ น, น, นผู้ไม่ถูกตันหาและทิฐิอาศัยคือถ้าหากว่าสังขารใดๆเนี่ยนะก็บอกเครื่องหมาย คือพิจารณาจนเห็นเครื่องหมายติดไว้กับสังขารทุกชนิดเหมือนอะไรนะเคยเห็นเราไปตามร้านห้างสรรพสินค้าจะมีสติกเกอร์บอกราคาหมดเลยนี่ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่หรือว่าอันนี้ยี่ห้ออะไรนี้คืออะไรจะมีเครื่องหมายหมดเลยใช่ไอเครื่องหมายนั้นเขาเรียกอะไรนะนะเขาเกก็คือเครื่องหมายสัญลักษณ์เครื่องหมายทางการค้าจะบอกมาเลยว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไร อย่างไปเห็นต้นไม้ตามสวนสมุนไพรบางแห่งเขาจะบอกว่านี่เข้าประกาศเขียนป้า้ติดเลยว่าต้นนี้ต้นอะไรก็บอกชื่อบอกชื่อบอกชื่อหมดเลยเมื่อไรเราจะมีเครื่องหมายอย่างนี้ประทับไว้กับสังขารทุกชนิดว่าอันนี้จังทุกขังและอนัตตาเขาบอกว่าเจริญจนมีเครื่องหมายอันนี้แปะไว้ทั้งหมดเลยเไนะลืมตาปั๊บก็เห็นเครื่องหมายนี้ก่อนละอันนี้จังทุกขังอนัตตาอายลักษณะก็คือเครื่องหมายอันเดียวกันเหนะ็นั้นเห็นอะไรก็ช่างทุกทวาเลยนะ เห็นเครื่องหมายอันนี้ประทับไว้หมดกับทุกทุกสังคตธรรมทุกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจใดที่ปราศจากเครื่องหมายแห่งอ น, นิจจังทุกขังและอ น, นัตตาไม่มีเครื่องหมายใดที่เวอเรียกว่าไม่มีขันใดเว้นจากอ น, นิจจังทุกขังและอ น, นัตตาเราต้องไปเที่ยวประทับเครื่องหมายอันนี้หรือเครื่องหมายเหล่านี้มันบอกมันเองตกลงเอาไงดี ตอนแรกเนี่ยนะเขาเรียกว่าต้องหาสั ญ, ญลักษณ์แห่งความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเขาไปเรื่อยๆก่อนถ้าเห็นบ่อยเท่าไหร่แล้วมันจะเริ่มต่อไปนะเราไม่ต้องไปหาหรอกแล้วมันบอกมันเองบอกฉันไม่เที่ยงนะฉันเป็นทุกข์นะฉันเป็นอนัตตามันจะเริ่มเรียกว่าเครื่องหมายของสังขตะธรรมจะปรากฏหมดเลยว่าเขาคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาถ้าบอกว่าเหมือนอย่างว่าคนที่ชํานาญรู้จักโคลายเนี่ยนะ โคดงังหรือม้าลายเนี่ยม้าลายเนี่ยเห็นเห็นง่ายไหมม้มาลายฉันใดก็ดีคนที่เห็นสังขารธรรมโดยไตรลักษณ์ก็เหมือนกับเห็นม้าลายนะเขาเห็นลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของสังขารธรรมก็เหมือนกับเห็นม้าลายสามสีนะนะสีหนึ่งก็สีอะไรสีขาวแต่ว่าม้าลายมีสีอะไรสองสีใช่สองสีแต่อันนี้เพิ่มสามสีก็แล้วกันน้ําตาล ก็คือเห็นเครื่องหมายแห่งอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตากับทุกสังคตะธรรมน่าจะเห็นได้นะประทับตราเอาให้หมดเลยนะแต่มันตรงกันข้ามเห็นแต่เครื่องหมายอะไรนะเห็นแต่เครื่องหมายเที่ยงอา้าวไอเครื่องหมายอันนี้เห็นมานานแล้วใช่ไหมเออเห็นเข้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมใช่ไหมโอ้ดีนะแหมไม่เห็นตั้งนานดีใจจริ ง, รงอันนี้อะไรเครื่องหมายแห่งสุขใช่ไหม Nenhum, คุยกันได้มีอำนาจอันนี้เครื่องหมายแห่งอัตตามันเห็นแต่เครื่องหมายสิ่งที่มันมันตรงกันข้ามไอ้เครื่องหมายตัวนั้นแหละเขาเรียกวิปลาสเห็นแต่เครื่องหมายแห่งความวิปลาสไม่ได้เห็นเครื่องหมายที่จริงแท้ผู้ที่มีปัญญาอบรมปัญญาอบรมวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิจะเห็นเครื่องหมายที่เป็นจริงอ น, น, นเครื่องหมายที่เป็นจริงเนี่ยนะเช่น เขาบอกว่าคนที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะเขาคิดอยู่แค่ปัจจุบันหรือถ้าหากว่าคิดอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยจะเข้าถึงความจริงไหมเป็นไปนไม่ได้ที่จะเข้าถึงความจริงแท้ยิ่งอ น, นิจจาลักษณะด้วยเนี่ยนะทุคลักษณะอนตัตตลักษณะยิ่งมองไม่เห็นเลย น, นะอย่างเช่นก็เหมือนกับว่าเมื่อสมมติถ้าอยู่แค่ยอย่างนี้จะคิดหรือว่าจะสิ่งเหล่านี้จะจะแปลไปใช่ไหมจะต้องอาศัยประสบการณ์ องค์ประกอบอย่างอื่นมาคำนวณรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มั่นคงอะไรนะอย่างสมมติถ้าหากว่าใครที่เลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กขีขขขข้งแงมากๆเนี่ยจะรู้ว่าเห็นหน่ะเด็กทาท่ายิ้มดูเถอะนะทำทำท่ายิ้มเนี่ยดีไหมมีความสุขมากเห็นเขายิ้มนิดเดียวเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันเลิกยิ้มเหรอ <laughs> เลิกยิ้มเมื่อไหร่ก็มาอีกแล้วดอกโศกแบ่งบานมาอีกแล้ว ก็หลายคนเนี่ยนั่งยิ้มๆมาเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกยิ้มอะไรจะเกิดขึ้นฟ้าจะผ่าฝนจะตกฟ้าแลบทั้งหลายก็จะตามมาละคือสรุปว่าจะต้องเห็นเครื่องหมายลักษณะเนี่ยนะเห็นลักษณะคือเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตากับทุกขสังขารธรรมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะอัธยาศัยเขาชัดเจนแล้วว่าคือคือคนเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีอัธยาศัยแห่งพระนิพพานนะ คิดเรื่องอันนี้จังทุกขังอนัตตามากๆผู้นี้จะเครียดพวกนี้จะทุกข์มากเลยนะก็ทุกอย่างมันไม่แน่นอนเมื่อทุกอย่างมันไม่แน่นอนแล้วเราคืออะไรเราจะอยู่ยังไงอะไรยังไงพวกนี้ทุกข์มากนะถ้าหากว่าเห็นแต่ความเป็นทุกข์ผู้นี้ก็ยิ่งจะทุกข์เครียดจัดเลยแหละก็มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ก็เลยเต็มไปด้วยความเครียดแต่ถ้าผู้ตามคนที่เจริญวิปัสสนาที่ถูกต้องเลยนะ ที่เขาไม่บรรลุพระนิพพานเข้ามัวแต่เนิ่นช้าใส่ใจว่าสังขารเที่ยงสังขารสุขสังขารเป็นอัตตาหรือว่ายั่งยืนใจก็เลยไม่น้อมออกเพื่อจะเห็นพระนิพพานเนี่ยนะใจก็เลยไม่น้อมออกเพื่อจะแทงตลอดพระนิพพานมัวแต่ใส่เครื่องหมายว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาก็ก็เลยจิตก็เลยไม่น้อมไปออกจากทุกใช่ใจก็เลยน้อมไปที่จะหมกมุ่นอยู่กับ กองทุกข์ใจไม่น้อมที่จะออกจากกองทุกข์นั้นคนที่เห็นอันนี้ จ, จริงๆเนี่ยมีความสุขทําไมจึงมีความสุขก็เหมือนอย่างว่าสมมติถ้าเราไปจะไปอะไรนะเราก็ยังชอบชอบสมมติว่าชอบไปซื้อหมออบายหนึ่งก็แล้วกันซื้อแจกันซื้อกระถางก็ได้อะใจจริงก็ไม่อยากเอาอะ่ะแต่ว่ามันสวยอะ่ะเอ๊ะตกลงเอาไงดี หาเหตุผลยังไงที่จะไม่ต้องเอาดูไปดูมารอยร้าวเต็มไปหมดเลยดีใจไหมควรจะดีใจหรือเสียใจเพราะว่าอัธยาศัยจริงๆเนี่ยเห็นนะอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องการเอาอ่ะแต่ไม่รู้จะหาเหตุผลอย่างไรมาปฏิเสธเอาเห็นรอยร้าวเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะได้กี่สิบเสียงเนี่ยรู้หมดเลยนะดูจากรอยร้าวเนี่ยรู้อายุแล้วไม่นานอ่ะนะ ถ้าซื้อไปได้ไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยวอกองไว้เฉยๆก็กระจายหมดอ่ะนะเพราะรอยร้าวมันเต็มไปหมดฉันใดใจจริงก็จะปฏิเสธอยู่แล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าได้เจกอกันอนั้นมาอะไรจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยนะก็เห็นแล้วก็เลยน้อมเพื่อที่จะเรียกว่าจะออกเนี่ยนะจะไม่เอาได้อย่างไรจะไม่เอาได้อย่างไรเพราะถ้าเห็นในเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเขานี่จะประสบแต่ ความสุขเนี่ยนะประสบแต่ความสุขเห็นแต่โดยเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็จะประสบสุขเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็ประสบความสุขทีนี้ถ้าตั้งคําถามว่าถ้าเราเห็นโดยความเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาเนี่ยนะมันมีความสุขไม่ใช่หรือใช่ไม่เถียงว่าคุณไม่มีสุขเวทนาแต่ความสุขเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเหตุแห่งแห่งความทุกข์ต่อไป แต่ถ้าเห็นโดยความเป็นทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่ยอมกลืนไม่ยอมกลืนสิ่งนั้นถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์จริงก็ไม่ยอมกลืนสิ่งนั้นถ้าไม่กลืนเนี่ยนะไม่กล้ากลืนอะไรก็ถือว่าเป็นเหตุแห่งความสุขก็รู้ว่ า, าคนที่คิดได้อย่างนี้ก็อย่างที่กล่าวทบทวนนะว่าคนนั้นจะต้องมีอัธยาศัยแห่งวิวัตะตะค่อนข้างแรงกล้าเห็นแยกออกเลยว่าถ้าติดพันในสังขารอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าออกจากสังขารได้มีประโยชน์อย่างไรต้องชั่งสองอย่างนี้ให้เห็นชัดเลยมันเมื่อเห็นลักษณะก็เลยไม่ถูกสุขลักษณะถ้าสุขลักษณะหรือวิปลาดว่าเป็นสุขตันหาเจริญถ้านิจจาลักษณะหรืออัตลักษณะเนี่ยนะลักษณะที่สําคัญผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นอัตตาพวกเนี้ยทิฏฐิก็เจริญถ้าเห็นว่าสุขตันหาเจริญถ้าเห็นว่าเที่ยงเห็นว่ายั่งยืน ทิฏฐิก็เจริญตันหาและทิฏฐิเจริญถ้าตันหาทิฏฐิเจริญวัตตก็เจริญเขาบอกว่าวัตตะเจริญอย่างไรเจริญเหมือนอย่างว่าในอุปาทานิยสูตรสังโยชนิยสูตรในสังยุตตนิกายนี้บอกเลยว่าเหมือนอย่างว่าถ้าบุคคลใดตามเห็นว่าสังขารเป็นของยั่งยืนเป็นของงดงามเป็นต้นเนี่ยนะเป็นของดีอย่างที่เราคิดกันเนี่ยก็เหมือนกับว่าไปใส่เอ่อรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ที่มีพิษ เนี่ยนะก็ยิ่งใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็บอกว่าใส่ปุ๋ยให้มันตายไปเลยตายไหมถ้าบอกปกติทั่วๆไปนะต้นไม้ประเภทนี้ยิ่งใส่เท่าไหร่ยิ่งงามยิ่งใส่ยิ่งโตเขาบ่กงั้นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอยู่ตลอดเวลาไอ้ต้นไม้แห่งวัตตะก็เจริญจนถึงไม่มีจบมีสิ้นตรงกันข้ามขุดรากถอนโคนเลยเนี่ยนะที่เราเอามาสับตากแดดเสร็จก็เผาเผาเสร็จก็เอาไปลอยน้าให้หมดเลย บอกกันนั้นก็เป็นทำให้พ้นทุกข์ฉันใดผู้ที่เจริญวิปัสสนาก็ลักษณะเดียวกันคือเรียกว่าทั้งถอนทั้งขุดถอนรากคือรากคือราคะโทสะและโมหะตัดลำต้นคืออวิชชาสังขารเป็นต้นเนี่ยนะก็จนกว่าจะถอนวัตะนี้ออกได้สำเร็จงนั้นคนที่ทำได้สำเร็จเนี่ยนะจิตก็ไม่หวั่นไหวดิ้นรนตามที่กล่าวแล้วเพราะสมถาวิปัสสนาเนี่ยนะขม่ขมข่มตันหาและทิถิเอาไว้ด้วยดี บทว่าจริเตอสติเมื่อจิตไม่มีความหวั่นไหวตามที่กล่าวแล้วเขาก็ทำจิตนั่นแหละให้เกิดความขวนขวายในวิปัสสนาดำเนินไปตามวิถีโดยโดยที่การยึดถือด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิเกิดไม่ได้ก็อันนี้คืออนุปัสสนาทั้งเจ็ดก็เจริญ ง, งอกงามเรียกว่าผู้ที่ยิงได้ไวก็คือสังขารทุกชนิดจะเห็นโดยความเป็นของ ไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นอัตตาเมื่ออย่างนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายในวัฏะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดผู้ที่คลายกำหนัดก็จิตก็หลุดพ้นจิตหลุดพ้นนี่แหละคือเป็นเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงพ้นจากอาสวะทั้งหลายมันก็บอกว่าถ้าจิตคว้นควายอย่างนั้นปัสสัตทิทั้งสอง สสที่ที่เกิดกท็ทำความกระวนกระวายกายและจิตที่เกิดร่วมกับวิปัสนาจิตนั่นแหละให้สงบวิปัสนา ท, ท, ที่เจริญจริงเนี่ยนะไม่ใช่เดือดร้อนไม่ใช่เร่าร้อนและฟุงซ่านตรงกันข้ามผู้ที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะมากไปด้วยความสุขคนที่เจริญวิปัสนาถูกต้องตามอนุปัสนาเนี่ยถ้าวิปัสนาไม่เกิดสิทุกเนี่ยนะถ้าไม่ถ้าวิปัสนาไม่เจริญนี่ทุก แต่ถ้าวิปัสนาเจริญแล้วมีความสุขคนที่ตามเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นคนทุกข์เลยตรงกันข้ามมีความสุขมากกว่าเดิมเยอะตรงกันข้ามกับคนที่ตามเห็นสังขารว่าเป็นสุขคนเหล่านี้ทุกข์มากานะทุกข์มากอย่างที่ว่านะลองไปเจริญวิปัสนาตามคมภีดูกันแล้วกันถ้าเจริญได้ตามนั้นจะรู้ว่าการตามชื่นชมสังขารเนี่ยเป็นทุกข์เพียงใดเนี่ยนะ บทว่าปัสสัตยยาสตินะนตินะโหติความว่าเมื่อปัสสัที่อันควรแก่คุณวิเศษก่อนและหลังมีอยู่เธอเจริญสมาธิอันมีความสุขหาโทษมิได้นั่นะก็คำนี้นะเห็นชัดว่าคนที่เจริญเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นคนทุกข์เลยยิ่งเจริญยิ่งมีความสุขถ้าไม่ได้รับความสุขจากเนคขมะจริงนะอย่าคิดนะว่าจะออกจากกามได้ คนเราเนี้จะต้องได้วความสุขที่เกิดจากเนคขมมะสุขที่ไม่มีโทษจึงออกจากสุขที่มีโทษแล้วก็ประกอบในสมถะและวิปัสนาทำสัพพะถวิปัสนาให้เคียงคู่กันที่จริงนะสมถะก็ก็เป็นความสุขนะถ้าถ้าเราองคฌานมาจับช่วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตากุศ ล, ลวิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะแค่คิดเป็นกุศลบ่อยๆเรายังดีใจเลยนะ ฝันว่าฝันอะไรนะฝันว่าฝันว่าเดินประทักษิณอะไรบูชาพระเจดีอะไรเป็นต้นยังมีความสุขเลยนะนั่นจริงๆก็คือกุศลวิตกธรรมดาธรรมดานั่นแหละถ้าวิสุขที่วิตกที่เกิดเป็นไปกับสมถะเช่นวิตกพรหมมิหารที่สืบเนื่องวิจารณ์ในพรหมมิหารที่เป็นไปอย่างสืบเนื่องปีติก็จะเกิดสุขก็จะเกิดทัา น, นสุขที่เกิดจากปฐมฌานเนี่ยนะเป็นความสุขที่ไม่เอาวัตถุกรรมเลยเป็นความสุขที่ปลอดภยัยเห็นไหม เป็นความสุขที่ที่ปราศจากภัยอันนี้เป็นความสุขที่เกิดจากฌานนะัยังสุขขนาดนั้นเลย น, นะเพราะองค์ฌานนี่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาวิปัสนาเนี่ยนะอะ่ถ้าวิปัสนาที่รู้เหตุเกิดและความดับก็จะทำให้เกิดปีติและปัสสัทธิถ้าสมถาวิปัสนาความสุขอย่างนี้เคียงคู่กันไปเนี่ยนะจะอาไราอาวรในกองทุกไหมก็ไม่อาไลอาวณในกองทุก มันสมาธิกับวิปัสสนาร่วมกันเจริญสืบเนื่องสืบเนื่องกันไปอริยมรรคก็เกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นกิเลสก็สิน้นจิตความเศร้าหมองทางจิตก็สิ้นไปเะไรมมาไม่อยากใช้คำว่ากิเลสเลยอยากใช้คำว่าความเศร้าหมองทางจิตใจเนี่ยนะถ้าสมถาวิปัสสนาเคียงคู่กันไปได้เท่าใดจิตใจที่เศร้าหมองก็ เร่ยว่ากำจัดความเศร้าหมองทางจิตใจได้อย่างเด็ดขาดตัณหาอันได้นามว่านาติเพราะน้อมไปในการมาพบเป็นต้นก็ไม่มีในขณะแห่งอริยมรรต์เรียกว่ากําจัดตัณหาได้อย่างเด็ดขาดตัณหาก็ไม่เกิดขึ้นไม่ถึงความเกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นธรรมดาถ้ายังมีรูปเสียงกลิ่นรสโภชภาพธรรมารมณ์ทั่วๆไปเป็นอารมณ์อยู่สิ่งเหล่านี้คืออารมณ์ของภพใหม่ทั้งหมดเลย ถ้าถ้าคนที่ที่เจริญปัญญาระดับสูง น, นะโดยเฉพาะกำหนดปัจจัยได้อย่างแม่นยำนะเขาจะนึกไม่ออกเลยว่าอารมณ์ไหนที่ไม่นำไปสู่ภพใหม่บ้างมีไหมอารมณ์ที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งปฏิสนธิเลยสี น, นะแล้วถามดูว่าสีในโลกนี้สีไหนที่รู้แล้วเลิกเกิดเลยอันนะั้นเลิกเลิกปฏิสนธิในภพใหม่นะมีไหมก็ถามง่ายๆว่าสีไหนไม่นำไปสู่นรกบ้างอะ สีไหนบ้างไม่ทําให้เกิดในเปรตอสุรกายและเดรฉานถ้าตั้งคําถามว่ารูปรูปไหนมั่งในโลกนี้ที่สัตว์ไม่ทําทุจริตมีไหมสีที่ใดบ้างที่สัตว์ไม่ทําทุจริตกรรมเลยไม่เป็นที่ตั้งแห่งการโคดโกงไม่เป็นที่ตั้งแห่งตานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิชฌาจารมุสาวาตเป็นต้นหาเจอไหมหลายท่านก็บอกว่ามันมีการโกงทุกตารางตารางมินเนี่ยนะไม่ใช่ตารางนิ้วตารางมินนะ มีมีทุกแห่งในโลกนี่เป็นที่เข็นที่ฆ่าทุกตารางนิ้วนะเป็นที่ตั้งแห่งหมุสาวาทไปทุกคนทุกแห่งไปหมดมนะพะทุกแห่งนี่จึงเป็นที่ทำบาปและอกุศลเพราะทุกแห่งเหล่านั้นอ่ะคือทุกอารมณ์ในโลกนี่นำไปสู่อาบายได้หมดเลยแต่ว่าของใครอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือของคนที่ทำทุจริตกรรมขณะเดียวกันก็เป็นประตูแห่งสุคติของอีกหลายคน แต่ว่าสุขคติเรานั้นจะยั่งยืนขนาดไหนสมมุติถ้าหากว่าเรามีพระไตรปิฎกเป็นอารมณ์เนะี่ยสมมตินะด้วยด้วยกุศลจิตแล้วเกิดในภพใหม่เนี่ยนะแล้วภพใหม่อายุจะเท่าไหร่ดีบนตัวนี้เราควรจะอายุเท่าไหร่ดีใช่ไหมกี่ปีเนาะห้สิปีห้สิปีก็ไม่ได้มั่นคงอะไรเล ย, ยเนาะแม้ก็สรุปวันในเขาก็เห็นว่า สังขารธรรมทุกชนิดถือว่าเป็นอารัมมณะปัจจัยแห่งพบใหม่คนที่เจริญวิปัสนาแม้กระทั่งเจริญวิปัสนาจนถึงอย่างอย่างพระอะไรนะพระช น, นะเนี่ยนะพระช น, นะเนี่ยท่านเจริญวิปัสนาพิจารณาสังขารทุกชนิดไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาท่านก็มั่นใจว่าท่านบรรลุแล้วพอพอก่อนจะตายเนี่ยนะคตินิมิตปรากฏขึ้นมาว้าบขึ้นมาเลย พราคตินิมิตปรากฏเท่านั้ น, น่ะรู้แล้วว่าอย่างใครว่าคือนึกว่าพ้นนี้แล้วนะเห็นบินมาเลยเนี่ยรู้แล้วกระ่ใบทวงนี่มาเลยเนี่ยเห็นแล้วว่าโอนี่ยังไม่พ้นนั่นนึกว่าจ่ายเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะก็เลยก็บอกว่าขวนขวายเจริญวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นไปบรรลุบรบรลุเสร็จก็ปรินิพานพอดีเลยนะกใครว่าทํากิจได้ในในตอนท้ายแต่ถ้าปกตินะของเราดูสิ เดี๋ยวภาพเดียดเดี๋ยวก็มีอารมณ์แล้วทุกๆอารมณ์เน้นำเกิดในภพใหม่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยจุติก็เป็นอารมณ์ของภพใหม่ได้เลยนะสิ่งที่เราได้ยินทุกได้ยินเนี่ยทุกทุกเสียงก็เป็นอารมณ์แห่งภพใหม่พันเข้าจึงก็บอกจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ได้อย่างไรแต่คนที่คิดอย่างนี้ก็ต้องมองว่ามีทุกขเป็นเบื้องหน้าแล้วเรียกว่ามีทุกขอย่างลงแล้วกําลังเดินไปสู่กองทุกเขาจึงคิดจะออกไปจากทุกแต่ถ้าไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกแหละ จะออกไหมไม่ออกหรือแล้วนะถ้าไม่ออกเนี่ยนะถ้าไม่คิดจะออกจากทุกการเจริญอริยมรรคก็จะไม่มีเพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่นําออกจากจากทุกที่เขาเรียกว่านิยานิกธรรมะน ะ, ะนิยานิกธรรมธรรมที่นําออกไปจากทุกขบทว่านติยาอสติเมื่อไม่มีปริยุทธฐานกิเลสเทวะไม่มีอะไรในในภพะนะคาว่าอะไรในภพก็คืออะไร ้็วเวลาจากที่ไหนไปก็ห่วงใยนะลักษณะนั้นเรียกว่าอะไรไอ้ความถ้ายังอะไรอยู่ก็ยังมีพบใหม่อยู่ถ้ายังมีความติดก็ถือว่ามีพบใหม่อยู่บอกไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วพอไหมเฮ้ไม่ติดแล้ ว, ลวเขาไม่ติดแล้วเขาเลิกติดหมดแล้วแต่ก็เพลินอันเดียวกันนั่นแหละนะ เขาบอกว่าถ้าไม่ติดจริงอ่ะต้องมีเครื่องหมายอันนี้จังทุกขังอนัตตาในนั้นทั้งหมดแล้วหลีกออกจากสิ่งนั้นได้ถ้าหลีกได้จริงเรียกว่าไม่ติดแต่ถ้ายังไม่มีนิพานเป็นอารมณ์อย่าบอกเลยว่าไม่ติดไม่ติดหรอกเพราะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วก็บอกว่าเขาไม่ติดหรอกแต่ว่าพอดีอยู่ในข่องเลยนะจะไม่ติดเอเาเรียกว่าใช่แล้วไม่ติดนะแต่ว่าอยู่ในข้องอ่ะถูกขังไปเล ย, เลย ชั้นใดก็ดีผู้ที่ยังไม่เห็นเครื่องหมายโดยเฉพาะยังไม่มีสันติลักษณะเป็นอารมณ์นะนิพพานเนี่ยเรียกว่ามีลักษณะคือสันติลักษณะมีลักษณะที่สงบจากสังคตะธรรมทั้งหมดถ้ายังไม่แทงตลอดธรรมที่สงบเหล่านี้จริงะนะเรียกว่าถูกกลืนเบ็ดเสร็จแล้วตรงนี้ถ้าไม่มีจิตใจที่เศร้าหมองด้วยปริยุทธฐานกิเลสเนี่ยนะก็ละความอะไรละความติดไม่ต้องการพบ ถ้าอะไรจะอะไรพบใช่ไหมถ้าติดก็ติดในพบนี่ก็ละอะไรละความติดได้หมดเพราะละตัณหาได้เด็ดขาดด้วยอำนาจอริยมรักเนี่ยนะอารยมรักษ์เบอกว่าในบรรดาธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วปรุงยากที่สุดยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดคืออารยมรักษเนี่ยปรุงยากที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าตัดฉันธราคะตัดเยื่อใหญ่ที่นําไปสู่พบใหม่ได้แล้วเนี่ย อาคติคติณโหติแปลว่าการมาคือความมาในโลกนี้ด้วยอำนาจปฏิสนธิก็ไม่มีการไปคือจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกด้วยอำนาจการละด้วยอำนาจความจุติก็ย่อมไม่มีคือย่อมไม่เกิดจะกลับมาใหม่อีกไหมในโลกนี้ น, นะกลับมาเกิดในคันของผู้ใดไหมถ้าทำไม้เป็นแม่ไว้เลยอย่างนี้ะก็ บอกว่าเบ า, า, าเขาไม่มาแล้วไม่มาแล้วแต่โลกนี้ก็ยังดูสดใสาตามเดิมอันนี้แปลว่ามาแน่นอนแต่มาในฐานะอะไรอยู่ตรงไหนก็ตามใจะนะตามใจไหนไม่ใช่ตามตัณหาในะคำว่าตามใจนี่ฟังให้ดีๆนะตามใจก็คือตามใจที่เป็นกรรมอ่ะนะถ้าอ่าเรียกว่ากรรมวิญญาณก็สุดแท้แต่กรรมวิญญาณนั้นว่าเป็นกุศลหรืออกุศลทัานจะอยู่ตร ง, ตร ง, ตรงไหนตำแหน่งใด เขามากลัวก็เกิดมาเป็นแม่ที่เมาจะว่าไงทำยังไงเนะเาะก็บอกว่าุกินเหล้าเก่งกว่าเดิมเยอะนะผู้หญิงยุ่งเนี้ยนะน่าเชื่อเลยนเกิดมาเนี่ยเขาจะเอาเขาจะเลี้ยงเราอย่างไงเนาะนี้ยุ่งเลยอะ่ะเขาจะสอนอารายศาสตร์เราไหมเนะาะลูกคลานเกิดเป็นทุกข์อย่างไงด้วย ความแก่ก็เป็นทุกข์การหลงตายก็เป็นทุกข์ลูกนี้เป็นกุศลนี้อกุศลนะโวท่านแนะนําอย่างนี้ก็โวยบุญเก่ามากอนะเนาะท่านทีนี้ถา้าถามว่าถ้ายังยังตัดตันหาได้ไม่หมดเนี่ยนะยังไงก็ต้องกลับมาสู่โลกนี้ใหม่เคยกล่าวไว้หลายครั้งแล้วว่าถ้าเรายังตัดฉันนราคะที่นําเกิดในภพใหม่ไม่ได้ สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราเป็นนะสิ่งที่เราเห็นนะภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกอะ่ะจําไว้เลยว่านั่นคือพบใหม่ของเราถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดมันไม่พ้นจากนี่หรอกมันไม่พ้นดินน้ําไฟลมนี่หรอกมันก็อยู่วนๆอยู่ในโลกของดินน้ําไฟลมโลกของมหาภูตรูปทั้งหลายเมื่อมีมหาภูตรูปมันก็มีปัญหาแบบนี้แหละเมื่อวานนี่เห็นเขาเผ า, เผาอันนั้นอนะ่ะเผ า, มาแมลงสาบเนี่โอย ถามว่ามแมลงสาบตัวนั้นเนี่ยเป็นผลของอะไรมิจฉาทิฏฐินะทำให้เกิดเป็นมแมลงสาบเนี่ ย, น, ยนี่เมื่อเป็นมแมลงสาบแล้วทําไงก็เขาอผาสิเผ า, า, า, าแล้วถามว่ามแมลงสาบจะไปสวรรค์เลยไหมไปไหนนาะเนี่ยนะก็จากมแมลงสาบไปสู่มแมลงสาบเพราะติดมแมลงสาบมแมลงสาบยะว่ามันไม่ติดกันนะมันก็พอใจกันเหมือนกันนั่นแหละก็จากพบใหม่สู่พบใหม่ไล่ไปเรื่อยเนี่ย จากแมลงสาบเป็นไสเดือนแมลงสาบกับไสเดือนมันเหมือนกันไอ้ตรงยุเยีย่เยเนี่ยนะมันมียางคล้ายๆไสเดือนอะ่ะเห็นแมลงสาบเมื่อไหร่นึกถึงไสเดือนทุกทีเลยนี่มันก็จุติปฏิสนธิท่าสัตว์ในอบายอยากคิดว่าเราพ้นแล้วนะสมมุติถ้าเราสมมติาเราเห็นผ้าสวยๆผืนหนึ่งแล้วเราบอกชอบแมลงสาบมันก็ชอบเหมือนกันันต่างกันตรงไหนอ่ะใช่ไหมเราเห็นอาหารอร่อยอร่อยสัตว์อื่นเขาก็เห็นว่ามันอร่อยเหมือนกัน จะต่างกันตรงไหนแสดงว่าสองสัตว์สองอย่างนี้ไม่ต่างกันเลยมัะเราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเราพ้นแล้วเพราะเราชอบในสิ่งเดียวกันกับสัตว์อื่นเขาชอบอะ่ะนี่ก็ไปไหนเนาะเนี่ยนะพระพิสูรรูปหนึ่งนะติดในผ้าเห็นได้ผ้าจีวรสวยก็เลยแหมคิดว่าพรุ่งนี้นะจะหมไปบินธบาตคิดด้วยอำนาจตันหาเนี่ยนะตายมีผ้าเป็นอารมณ์ไปเกิดเป็น เป็นอะไรเป็นเลนน่ะนะเป็นตัวเลือดตัวเลน่ะเล็กๆที่ไปอยู่ในผ้านั่นแหละตัวนี้เดียวอยู่ในผ้าอายุเจ็ดวันก็ตายแล้วแต่ดีว่าเคยบวดรักษาศีลวยตลอดชีวิตเนี่ยนะจุติจากเลนก็เกิดเป็นเทวดาแล้วฟังธรรมก็บรุตอนหลังถ้าไม่เป็นเลนเนี่ยอะไรจะเออถ้าถ้าไม่ได้เป็นพระพิสูจน์ที่รักษาศีนมาก่อนหน้านี้แล้วกรรมอะไรจะฉุดออกมาจากเลน่ะ ถ้าไปเป็นตัวเลือดตัวเล็กๆไปเป็นตัวปลวกตัวอะไรเล็กๆนี่จะออกมาได้ยังไงนาอยัง น, ยนึกในใจ Wales เลยเนะมันออกได้ยังไงนะตัวนิดเดียวนะอย่างแม้กระทั่งในถ้าสังเกตดูนะในในห้องน้ําเนี่ยในห้องน้ําที่เราแปรงฟันที่เราเนี่ยมันจะมีไอตัวแมลงตัวเล็กๆอยู่นะถ้าเราถามว่ามันจะออกจากพวกนี้ได้ยังไงนะจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อย่างไรถ้าเป็นมนุษย์แล้วจะจะรู้ไหมว่าข้อปฏิบัติที่จะออกจากวัตฏะเนี่ยมีทางใดบ้าง อย่าคิดว่าเราจะพ้นแล้วนะว่าวันฟังฟังหมอท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าพยาธบางตัวเนี่ยนะเชื่อไหมมันอยู่ในน้ําในลูกตาเราเลยเนี่ยในน้ําในลูกตามันมีพยาธที่มันใช้วิ่งว่อนในนั้นน่ะเหมือนกับอ่างน้ำของมันอ่ะเราใช้แสงเลเซอร์ยิงเลยว่าในมันมันอาศัยอยู่ในลูกตาพยาธบางตัวก็อยู่ในเส้นเลือดมันก็ไปตามเส้นเลือดไปตามเส้นอาหารใครจะคิดว่าอู้ซับนี่มันเกิดได้ทุกขนทุกแห่งจริงๆ อย่างในเนื้อวัวเนี่ยนะเนื้อวัวเนี่ยมันจะมีพยาธอยู่ในเนื้อวัวอีกทีหนึงอ่ะมันเป็นคล้ายๆเม็ดสาคูอะ่ะขยักพยาธิเม็ดสาคูที่อยู่กับเนื้อวัวท่นทุกแห่งเนี่ยสัตว์อยู่ได้หมดอยู่ได้ในทุกสภาพและทุกสถานที่อยู่ทุกขนทุกแห่งจริงๆนั่นคือถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไม่มีคําว่าพ้นง่ายๆหรอกออกได้ยังไงถ้าไม่มีมัดแ8ดออกไม่ได้อยู่แล้ว ทั้งทางที่จะออกจากทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่ามีทางเดียวคือทางคือมรรคแโดยเฉพาะอริยมรรคที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นจึงจึงออกได้แต่ถ้ายังมีมรรคโดดๆดดอยู่นะออกไม่ได้ถ้ามีแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถ้ามรรคถ้าไม่ประชุมครบองแปดออกจากทุกข์ไม่ได้เมื่อใดที่ครบ8ปดประชุมกันเนี่ยจึงออกจากทุกข์ได้รักษาศีลอย่างเดียวก็ยังไม่ได้ออกจากทุกข์ขาวร สมถะอย่างเดียวก็ไม่ได้ออกจากทุกขาวรต้ององแปดแล้วมีนิพพานเป็นอารมณ์พระนิพพานานั้นจึงเป็นธรรมที่ออกจากทุกข์ขณะเดียวกันนั้นใจต้องมีอัธยาศัยเห็นอนิสงของพระนิพพานอย่างเต็มที่เห็นเห็นกำไรที่เกิดจากการบรรลุพระนิพพานาอย่างเต็มที่จึงจะจึงจะอะไรนะจึงจะออกจากทุกข์ได้แต่ถ้าไม่เห็นคุณประโยชน์ของของพระนิพพานเนี่ยนะ ยังไงยังก็ปฏิบัติไม่บรรลุพระนิพพานหรอกเราบอกว่าคนเรานะจะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ต้องการอย่างแท้จริงยังไงก็ไม่เข้าถึงในสิ่งที่ตัวเองไม่มีศรัทธาโดยเฉพา ะ, ะคุณธรรมชั้นสูงถ้าไม่มีศรัทธาในพระนิพพานอย่าคิดนวมมักแ8ดจะเจริญไม่เจริญแล้วก็ก็เจริญแบบอะไรนะเจริญแบบติดตดั บ, ด, บดับนะเจริญแบบไม่ต่อเนื่องอะไรจะต้องเห็นคุณของพระนิพพานอย่างเต็มที่เนี่ยนะ แต่ถ้าแทงตลอดคุณแห่งพระนิพพานการมาปฏิสนธิในโลกนี้ไม่มีอีกต่อไปตำแหน่งไหนที่เราจะเกิดอีกไม่มีอีกแล้วแต่ถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานนะทุกแห่งที่เราเห็นในโลกนี้คือไม่แน่เราจะอาจเกิดที่นั่นแหละที่ไหนบางที่เกิดไม่ได้แต่ถ้าเห็นพระนิพพานแล้วทุกแห่งไม่ใช่ที่เกิดปัญธาไม่เกิดใหม่และจะมีการตายต่อไปอีกไหมก็ไม่มีก็บอกว่าอาคติคตินะโหติ ไม่มีการมาในโลกนี้ด้วยอำนาจปฏิสนธิไม่มีจากโลกนี้ไปพบใหม่ด้วยอำนาจจุติไม่มีปฏิสนธิและไม่มีจุติจุติปฏิสนธิใครเรียกอะไรนะของของภาษาไทยชอบใช้คำว่าเกิดแล้วก็ตายธรรมะใช้คำว่าตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเขาบอกว่าตายแล้วเกิดเนี่ยนะเร็วกว่าตาเห็นแล้วหูได้ยิน เร็วกว่าอะตาเห็นปั๊บกว่าตาเห็นจบแล้วหูมาได้ยินนะจิตเกิดหลายดวงนะถ้าถ้าพูดตามภาษาพิธรรมันนะจิตเกิดหลายดวงมากแต่ถ้าจุติและปฏิสนธิเนี่ยโอ้ยสั้นกว่านั้นเยอะเท่ากับอะไรนะจากครูวิญญาณและสัมปติชนะจิตเนี่ยใช้เวลาเท่ากันจุติปฏิสนธิเนี่ยปัดเดียวนะเพรานั้นก็อนุภาพของพระนิพพานเนี่ยนะทำให้พ้นจากการเกิดและ การตายเหล่านี้แต่ว่าพระนิพพานก็ต้องอาศัยข้อปฏิบัติใช่ไหมเมื่อปฏิบัติอริยมรรคจนได้บรรลุนิพพานเขาบอกอาคติคติยาอาสติไม่มีการมาและการไปด้วยอำนาจจุติปฏิสนธิจุตูป ป, ปาโตนะโธติจุติและอุบัติไปๆม า, มาย่อมไม่มีไม่มีอีกแล้วที่ระหกอะไรนะพูดถึงการเกิดในภพใหม่ของปุชนทั้งหลายเท่ากับอะไร เคยได้ฟังสูตรหนึ่งไหมสูตรที่ที่บอกว่าพิษสูตรทั้งหลายเห็นน้ําทะเลไหมบอกเห็นพระเจ้าค่าเขาบอกว่าน้ําทะเลเนี่ยนะน้ำทะเลกับน้ำเจ็ดหยดไหนมากกว่ากันน้ําทะเลมากกว่าบอกว่าพระโธดาบันเนี่ยนะปฏิสนธิอีกเจดครั้งเท่ากับน้ำเจ็ดหยดแต่ปุตุชนเนี่ยนะปฏิสนธิเข้ากับน้ําในทะเลนะมีปฏิสนธิในภพใหม่ตลอดเหมือนน้ําในทะเลเลยยังมากขนาดนั้นอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่า แผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดกับเมเล็ดกระเบา้าหรื อ, อเม็ดมะขามก็แล้วกันเม็ดมะขามเจ็ดเม็ดกับแผ่นดินเนี่ยไหนจะมากกว่ากันปุตุชนที่จะเกิดใหม่เนี่ยนะเท่ากับแผ่นดินคือ ต, ตัวเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะพบใหม่ที่จะเกิดอีกมันเยอะเท่ากับแผ่นดินแต่ถ้าเห็นอริยสัจตรัสรู้พระนิพพานเนี่ยนะเท่ากับเจ็ดเม็ดน่ะนะเหลือกองทุกข์อยู่เท่านั้นจริงๆน้อยมาก เรียกว่าหหดับทุกข์ได้จริงๆมันจะต้องเห็นคุณนะประโยชน์ของพระนิพพานถ้าหากว่ามีมีอัทยาศัยแบบนั้นอย่างเต็มที่บริบูรณ์เนี่ยนะตั้งอุปนิสยัยตั้งอัทยาศัยเจริญข้อปฏิบัติไปเถอะแม้แต่ให้ทานรักษาศีลตั้งอุปนิสยัยตั้งอัธยาศัยให้ดีๆในที่สุดก็สามารถที่จะแทงตลอดพระนิพพานได้ันกรรมวัดก็เป็นอันขาด เขาบอกว่าถ้าไม่มีกิเลส เ, เนี่ยนะถ้าไม่มีกิเลสสัอย่างเดียวถ้าใจไม่เศร้ามองอย่างเดียวกรรมก็เป็นอันขาดไปทีเดียวถ้าจิตเลิกเศร้ามองด้วยราคะโทสะโมหะเลิกเศร้ามองด้วยอวิชา ม, มานะเป็นต้นถ้าดับความเศร้ามองได้เหล่านั้นหมดแล้วเนี่ยนะกรร ม, มวัฏก็ขาดเมื่อกรรมดับวิปากวัฏจะมีแต่ที่ไหนถ้าไม่มีความยึดถือด้วยอำนาจตันหาและอุปาทานพบจะมีมาแต่ไหนถ้าพบไม่มีชาติจะมีมาแต่ไหน ถ้าชาติไม่มีชรามรณาโศกกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตจะมีมาแต่ไหนนะก็บอกว่าต้นเหตุเนี่ยนะแต่ก็อย่างว่านะอย่างที่อะไรมันจะตัดยากถ้าตัดเยื่อใยไม่มีแล้วในโลกนี้ถ้าตัดเยื่อใยได้ชนะทุกทั้งมวลแต่ก็ถ้ายังมีเยื่อใหยมันปัญหาว่ามันดึงไปที่ไหนอะไรกันนี่เยื่อใยนั้นผูกไว้ที่ไหนผูกไว้กับอวัย่เงี้ยบเดือดอร้อนนะสรุปในคาถาเนี่ยนะก็เหมือนว่า ถ้าเจริญอริยมรรคจนอริยมรรคเกิดขึ้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็ไม่มีความยินดีด้วยอำนาจตันหาตันหาก็ไม่นําไปสู่มันในพบใหม่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีการจุติไม่มีอุบัติไม่มีระหว่างโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีระหว่างโลกทั้งสองไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีที่ไหนทั้งนั้นแหละดับทุกขได้โดยส่วนเดียวแต่ว่าแม่ศาตว์ทั้งหลายนี้อาไลอาวอนในกองทุกข์เหลือเกินก็ยังหวังว่ามันดีอยู่นั่นแหละไง คือคือพื้นฐานโดยอัธยาศัยที่ยังเห็นว่าสังขารก็ยังดีอยู่ดีเนี่ยนะก็จนมาเทียบมาเคียงนั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยสำหรับคนอินทรีย์อ่อนศรัทธาวิริยะสมาธิแล้วก็ปัญญาน้อยเนี่ยนะปัญญาไม่เต็มที่จริงๆเนี่ยที่จะตัดเยื่อใยในวัตะไม่ใช่เป็นของง่ายเลยเนี่ยนะยากมากจนกว่าจะบอกว่าอะไรนะร้อนทุกวัตะร้อนทั้งหมดนั่นแหละจึงจะออกได้นะ ถ้าไม่ไม่นี่จริงๆก็ยากสรุปว่าในสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศอนุภาพแห่งอมตะมหานิพานอันเป็นเหตุสงบทุกในวัตตะได้โดยเด็ดขาดเนี่ยนะเป็นธรรมที่ดับทุกเป็นธรรมที่สงบทุกด้วยสัมมาปฏิบัติแก่ภิกษุในพระศาสนาแม้นี้ด้วยประการชนีดพระศาสนานี้คือคืออะไรศาสนาหมายถึงหมายถึงสิกขาสามที่พระพุทธเจ้าแสดง เรียกว่าศาสนานี้คือศาสนาของพระพุทธเจ้าที่สตอสอนอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสัมมาปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกเป็นข้อปฏิบัติที่ตรงตรงไปสู่อะไรอุชูปฏิปันโนยายาปฏิปันโนก็ปฏิบัติตรงเพื่ออริยมค ร, นะรยมครนี่ปฏิบัติตรงนี่เป็นยังไงคือบอกว่าคนต้องรู้ไอ้คำว่าตรงได้ก็ต้องเข้าใจคําว่าคตเหมือนกันนะ ถ้าไม่ไม่รู้จักคตมันจะไปตรงได้ยังไงใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเห็นโดยนิจจะนิจจะนิมิตเครื่องหมายว่าเที่ยงอันนี้เป็นความคดรนะมันจริงไหมล่ะเอเราคิดว่ามันเที่ยงนี่จริงไหมบอกไม่จริงแล้วความจริงไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่ามันสุขจริงไหมไม่จริงถ้าเห็นว่าทุกอันนี้เป็นความจริงถ้าเห็นว่าเป็นอัตตาจริงไหมไม่จริงจริงๆแล้วเป็นอนัตตาอันนั้นแหละถ้ามีการเจริญตามนี้ได้จริงนั่นแหละเรียกว่าสติปัฏฐาน พระสติปัฏฐานเนี่ยนะเครื่องหมายตามที่เป็นจริงของสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไอ้ไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขานุปัสสนาถ้าเป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาถ้ามีกายเป็นอารมณ์เรียกว่ากายานุปัสสนาถ้าอนิจจ์ทุกขังอนัตตาถ้ามีกายเป็นอารมณ์เรียกว่ากายานุปัสสนาถ้ามีเวทนาเป็นอารมณ์เรียกว่า เวทนานุปัสนาถ้ามีจิตเป็นอารมณ์เรียกว่าจิตานุปัสนาถ้ามีธรรมทั้งหลายเป็นอารมณ์ก็เป็นธรรมานุปัสนาหัสนุปัสนาเหล่านี้เนี่ยนะตั้งเป้าจะเจริญแค่ไหนตั้งเป้าจะเจริญสติประฐานเหล่านี้ให้เติบโตแค่ไหนตั้งเป้าละมิตรวละวิปลาสแค่ไหนเจริญได้เท่าไหร่อันนั้นเป็นสัมมประฐานเจริญด้วยฉันทาวิริยะจิตที่จดจ่อจริงๆหรือเปล่าใจใจ มีใจใหญ่ในการเจริญสิ่งเหล่านี้ไหมมีความรอบรู้ในการเจริญเท่าใดอันนั้นก็เป็นอธิบดีถ้าเบื้องต้นเรียกว่าอธิบดีบ้านปลายเรียกว่าอิทิบาทเนี่ยนะเบื้องต้นเรียกอาทิบดีตอนท้ายเรียกว่าอิทิบาตก็คือเจริญอิทธิบาทแล้วก็มาวัดดูนะศรัทธาพอบรรลุไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาแล้วเป็นไงสิ่งเหล่านี้เรียกว่า ก, กําลังเนี่ยนะมีแข็งแรงแค่ไหนศรัทธาเราแข็งแรงไหมศรัทธาของเรานี่ควรจะอายุกี่ขวบแล้วตอนนี้ เยอะยังแบอยู่เลยศรัทธาโตแค่ไหนก็มาดูวิริยะนี่โตแค่ไหนละเอา ส, ส, สตินี่โตขนาดไหนมีกําลังแค่ไหนนะช่วยเหลือตัวเองได้หรือยังสมาธิเนี่ยเป็นยังไงบ้างมั่นคงปึ๊กเลยหรือว่าปัญญานี่แข็งแรงขนาดไหนกําลังขนาดไหนก็ดูว่ากําลังของเราแล้วแต่ละอย่างเนี่ยนะพอจะตรัสรู้ได้ไหมเป็นองค์ที่จะทําให้ตรัสรู้ได้หรือยังคู่ควรแก่การตรัสรู้ได้หรือยัง ก็ น, นั้นแหะเป็นโพชงได้ไหมสมควรจากการตรัสรู้ไหมคู่ควรกับบรรลุไหมนี่ก็มาดูต่อไปอีกว่าแน่ใจนะวันนี้ทางแห่งความดับทุกข์จริงๆเนี่ยนะซึ่งไม่ใช่ทางไปสู่นรกเปรตอสุรกายและเดรัชานไม่ใช่ทางไปสู่มนุษย์และเทวดาแต่เป็นทางแห่งพระนิพพานมั่นใจขนาดนั้นเลยหรือก็โพธิ ป, ปัจจะธรรมถ้าประชุมกันได้ทั้งสามิบเจ็ดก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะนั้นเขาบอกว่า ถ้าใครปฏิบตัติตามนี้ได้ก็รับมรดกของพระพุทธเจ้าไปถ้าเจริญตามนี้ไม่ได้ก็ก็อะไรนะพระองค์ก็ไม่รับยังไม่รับเพราะไม่คู่ควรแก่การรับก็จนกว่าจะว่าถ้าได้โพธิปักษิธรรมประชุมกันเมื่อไหร่เป็นลูกพระพุทธเจ้าได้เพราะอะไรเพราะรับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าได้ถ้ายังไม่ได้โพธิปักษยธรรมเนี่นะก็ยังไม่เรียกว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้า แต่ก็ยังดีะนะเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ใช่เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะว่าทางานไม่ทะลุเป้าะนะไม่สมควระนะได้มรดกไม่พอถ้าถ้าจนขนาดนี้เป็นลูกฉันไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาใช่ไหมมันพระองค์มีโพธิ ป, ปักจยธรรมมั่งมีมากะนะถ้าได้โพธิ ป, ปักจยธรรม3 7ประชุมกัน